บทที่สภาษิตสามของเทวดาไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปาสะจากเหตุผลทุกอย่างมีเหตุแห่งตนผู้ที่เกิดในหมู่มนุษย์และในหมู่เทวดาถือกำเนิดในภพภูมิเหล่านี้สืบเนื่องจากกุศลกรรมในอดีตชาติกุศลกรรมได้แก่การให้ทานการรักษาศีล และการเจริญภาวนาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดในโลกมนุษย์หรือเทวโลกอีกด้านหนึ่งอากุศลกรรมเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดในอบายภูมิสี่ในหมู่สัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์ดีละชานากุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากอากุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิบากด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าไม่เป็นอย่างนั้นว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมให้วิบากที่เหมือนกันกุศลกรรมย่อมอำนวยปฏิสนธิให้เกิดในสุขติภูมิอกุศลกรรมย่อมอำนวยปฏิสนธิให้เกิดในทุขติภูมิกรรมที่เราทำในชาติปัจจุบันสร้างหรือเป็นปัจจัยแก่สภาวะ ที่เราต้องประสบในอนาคตผลแห่งกรรมเหล่านั้นย่อมริขิดอนาคตของเราเราอาจหวังผลที่ดีเช่นได้เกิดในโลกมนุษย์หรือเทวโลกโดยที่แท้กรรมเป็นสิ่งกำหนดผลมิใช่ความหวังในฐานะที่เป็นมนุษย์เรารู้จักพบมนุษย์แต่เราไม่รู้มากนักเกี่ยวกับเทวโลก ขอให้เราศึกษาความแตกต่างระหว่างสองพบนี้โดยการเปรียบเทียบพบทั้งสองที่ผิดแผกไปจากมนุษย์ก็คือเทวดาไม่ต้องอยู่ในคันมันดา 9-10 ถึงเดือนเทวดาอุบัติบนเทวโลกด้วยรูปเต็มตัวของผู้ใหญ่ตั้งแต่ขณะแรกที่เหมือนกันกับมนุษย์คือเทวดาเกิดด้วยวิบากของกุศลกรรมในอดีตชาติ แต่ว่าเทวดาสวยการมสุขทิพย์อันปานีดเลิศเลอเหนือกว่าที่มนุษย์ได้ประสบอย่างไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ความวิเศษสุดยอดในเบญจากรรมคุณที่เราประสบในโลกมนุษย์ไม่ว่ารูปอันงามเลอิอเสียงอันไพเราะเพาะพริง้งกลิ่นอันหอมจรุมใจรสอันอร่อยลำ้ำสัมผัสอันนุ่มนวลอ่อนหวาน ล้วนเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งความวิจิตและความอรังการของการมาสุขอันเป็นทิพย์ที่ประสบในเทวโลกเพื่อพรรณนาให้ท่านเห็นภาพเทวโลกได้ชัดเจนมากขึ้นอัตมาจึงอัญเชิญมาคันทียสูตรในมัชมะนิกายมัชมะปันนาปริภาชากาวัคซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคันทีย เปรียบเหมือนข้าืหาบดีเหมือนบุตรคฤาหาบดีเป็นคนมั่งครั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเอบอิ่มเพียรพร้อมด้วยกามาคุณห้าบำเลอตนด้วยรูปอันพึงจะรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ป่าธนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัด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 อันจะพึงรู้แจ้งด้วยริ้นที่สัตป่าถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยโพธิัพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตป่าธนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเขาประพฤตกายสุจริตวจีสุจริต มนโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงเทพปบุตรนั้นอันหมูนางอับสรแวดล้อมในนันทวันเ อ, อิบอิ่มเพียรพร้อมด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์บัมเรอตนอยู่ในดาวดึงเทวโลกเทพปบุตรนั้นได้เห็นคฤหะบดีหรือบุตรคฤหะบดี เพื่อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเลอตนอยู่ดูก่อนมาคันธียะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนเทพบุตรนั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในนันทวันเอิบอิ่มเพียรพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเลอตนอยู่จะพึงทะเยอทยานต่อคฤหาบดี ต่อบุตรค้รหบดีโนนหรือต่อกรารมคุณห้าของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษย์บ้างหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามอันเป็นชิพน่าใครยิ่งกว่าและปณนีดกว่ากามของมนุษย์ตอนนี้เราได้เข้าใจแล้วว่ากามมคุณอันวิเศษสุดยอดของมนุษย์ เป็นไม่มากไปกว่าวัตถุธรรมดาสามัญเมื่อเปรียบเทียบกับกามคุณอันเป็นทิพย์ที่เหล่าเทพเลิงรมนอกเนือจากนี้อายุไขของมนุษย์นั้นสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอายุไขของเทวดาพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายห0สิปีมนุษย์เป็นเพียงหนึ่งคืนหนึ่งวันของเทพชั้นจาตุมมหาราชิกา ซึ่งหนึ่งเดือนมีส0สคืนเช่นนั้นและหนึ่งปีมีส2องเดือนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหนึ่งรปีมนุษย์เป็นเพียงหนึ่งคืนหนึ่งวันของเทพชั้นดาวดึงซึ่งหนึ่งเดือนมี30 ส, สิคืนเช่นนั้นและหนึ่งปีมี12 ส, สองเดือนอายุไขมนุษย์ช่างสั้นนักเมื่อเปรียบเทียบกับอายุไขของเราเทพ อายุไขของมนุษย์เรานับไม่ถึงเพียงเศษเสี้ยวแม้อายุไขของเทพจะยืนยาวมากก็ตามวันหนึ่งเทพก็ต้องจุติตายอัตถกถาคาถาธรรมบทอธิบายว่าเทพบุตทั้งหลายย่อมเคลื่อนจากเทวโลกด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. ด้วยความสิ้นอายุ 2. ด้วยความสิ้นบุญสา ด้วยความสิ้นอาหารสี่ด้วยความโกรธในเหตุสี่อย่างเหล่านั้นเทพระบุตองค์ใดทำบุญกรรมไว้มากเทพระบุตองค์นั้นเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วก็เกิดในเทวโลกชั้นสูงๆงขึ้นไปอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุเทพระบุตองค์ใดทำบุญไว้น้อย บุญ น, นั้นของเทพบุตรนั้นย่อมสิ้นไปเสียในระหว่างเที่ยวเหมือนทั ญ, ญชาติที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวงเพียงสี่ถึงห้าทนานฉะนั้นเทพบุตรนั้นย่อมทําการะเสียในระหว่างเที่ยวอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นบุญเทพบุตรบางองค์มักบริโภคกามคุณไม่บริโภคอาหาร เพราะการหลงลืมสติมีกายอันเหนื่อยอ่อนทาการะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยการสิ้นอาหารเทพบุตรบางองค์ไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นโกรธเคืองแล้วจึงทำการะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความโกรธสาเหตุการตายสองประการแรกนั้นง่ายที่จะเข้าใจแต่สาเหตุสองประการหลัง ไม่ง่ายที่จะเข้าใจอาตมาจะอธิบายเพิ่มเติมดังนี้เนื่องจากกรรมสุขอันเป็นที์นั้นประณีตมากจนเทวดาหลงลืมการบริโภคอาหารกายของเทวดาก็จะซูบซีดหมดกาลังหากปราศจากอาหารแม้เป็นเทพก็ต้องถึงจุดจบนี่คือสาเหตุการตายประการที่สามของเทวดาการจุติ ด้วยความสิ้นอาหารสาเหตุการตายของเทวดาประการที่สคือการเกิดขึ้นของโทสะมูรจิตในบางครั้งความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อเทวดาเห็นความได้ดีของผู้อื่นความไม่พอใจนี้อาจมีอาการแห่งความหวงแหนความขุนเคืองความเกลียดชังและความอิจฉ้ามีความทนไม่ได้ต่อสมบัติ ความได้ดีของผู้อื่นเป็นลักษณะมีการไม่ยินดีด้วยในสมบัติหรือความสุขของผู้อื่นเป็นกิจความห่วงแหนและความอิจฉาเกิดแต่ในโทสะมุลจิตเท่านั้นโทสะความห่วงแหนและความอิจฉาทำให้จิตเร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยและหมดกำลังพฤติกรรมเช่นนั้นทําให้เทวดาต้องจุติ โดยไม่อาจเหนี่ยวลังได้เทวดาบางองค์จุติพาอความอิจฉาความไม่พอใจและการไม่ยินดีในสมบัติหรือความได้ดีของผู้อื่นตอนนี้เราได้ทราบสาเหตุการจุติสี่ประการของเทวดาแล้วแต่สิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อเทวดาหรือนางฟ้าใกล้จะจุติเราจะทราบคาตอบได้จากพระธรรม ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตัดไว้ในขุทธะนิกายอิติวุตกะติกะนิบาทวรที่สี่จะวะมานั ส, สูตรความว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ ย่อมเหี่ยวแห้งหนึ่งผ้าย่อมเศร้าหมองหนึ่งเหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้หนึ่งผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายหนึ่งเทวดา ย, ย่อมไม่ยินดีในที่พยาอาดของตนหนึ่งอัตถกถาจะมมานะสูตรอธิบายว่าบุพนิมิตแห่งความตายห้าประการย่อมเกิดขึ้นหรือปรากฏ แก่เทพนั้นผู้มีมรณะปรากฏแล้วมารายงามที่เทพพบุบุสวมตั้งแต่ปฏิสนธิบนเทวโลกมีกลิ่นหอมยิ่งดอกไม้ทิพนี้คงความสดและเบ่งบานตลอดอายุไขของเทพพบุบุแต่เมื่อเทพประบุใกล้จะจุติดอกไม้ของท่านย่อมเหี่ยวแห้ง ดอกไม้ที่เทพบุตนั้นประดับนั้นจะเหี่ยวคือหมดความงดงามเหมือนโยนไปในที่แดดในเวลาเที่ยงอภรณ์ของเทพบุทย่อมหมดจดงดงามอยู่เสมอเทพบุตรไม่จำเป็นต้องซักผ้าแต่เมื่อเทพบุตนั้นใกล้จะจุติอภรณ์ของท่านย่อมสกรปรกเศร้าหมองผ้าที่เทพบุตนั้นนุ่งห่มแล้ว มีสีเหมือนพระอาทิตย์อ่อนๆที่ทอแสงอยู่ในอากาศที่ปาาจากเมฆหมอกในสาระสมัยมีสีต่างๆจางลงไม่แวววาวเศร้ า, ราหมองเหมือนถูกโยนลงไปในโคลนแล้วขยำในขณะนั้นทีเดียวมนุษย์เรามีทุก์จากความร้อนความหนาวแต่เทพบุตรไม่มี มนุษย์เราต้องทำงานแต่เทพปบุตรไม่ต้องทำงานมนุษย์เรามีเหงื่อออกแต่เทพปบุตรไม่มีเหงื่อจนเมื่อเทพบุตรใกล้จะจุติจึงจะมีเหงื่อไหลออกจากลักแร้ในขณะนั้นหยาดเหงื่อรังไหลออกจากลักแร้ทั้งสองของเทพปบุตรผู้มีร่างปราศจากคาบเหงื่อใครมาก่อนเหมือนแก้วมณี โดยกำเนิดที่บริสุทธิ์ดีและเหมือนรูปหอทองคำที่ศิลปินผู้เชี่ยวชาญตกแต่งแล้วก็ไม่ใช่ไหลออกจากรักแร้อย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่เหงื่อการะก็จะไหลออกจากร่างกายทั้งสิ้นของเทพประบุตรนั้นโดยที่กายของเทพประบุตรเป็นเสมือนหนังอึ้องด้วยข่ายที่ประดับประดา รวนไปด้วยข่ายแห่งมุกดาที่ตนประดับแล้วกุศลกรรมที่เทพบุตรได้ทําในอดีตชาติเป็นเหตุปัจจัยกําหนดสิ่งต่างๆในปัจจุบันชาติของเทพบุตรนั้นกุศลกรรมในอดีตชาติยิ่งมีมากเพียงใดอายุวันนะสุ ข, ขะยศและพระอํานาจของเทพบุตรนั้นก็ยิ่งเจริญมากเพียงนั้นเช่นกัน นี่เป็นเพราะกุศลกรรมในอดีตชาติเท่านั้นจึงอํานวยปฏิสนธิให้เกิดในเทวโลกมีสหายมากเมื่อเทพบุตรปรารถนาจะบริโภคอาหารอาหารทิพโอชะก็ปรากฏขึ้นเทพบุตรเหมือนกับมนุษย์ที่ต้องบริโภคอาหารแต่ที่ต่างกันก็คือการย่อยอาหารของเทพบุตรไม่มีของเสีย จึงไม่มีห้องสุขาบนเทวโลกเทวโลกวิเศษแท้หนอเทวโลกช่างงดงามและสะอาดสะอ้านแท้หนอในชั้นต้นเริ่มแต่ปฏิสนธิร่างกายจะแผ่รัศมีผวยพุ่งไปตลอดสถานที่ยอดหนึ่งบ้างสองยอดบ้างจนถึงที่ประมาณสิบสองยอดบ้างตามอนุภาพของตนจะปราศจากชราภาพ มีฟันหักและหนังยน่นเป็นต้นความหนาวความร้อนจะไม่เข้าไปกระทบกระทั่งจะเป็นเหมือนเทพธิดารุ่นสาวอายุราว16ปีจะเป็นเหมือนเท พ, ทเเเท พ, พบรุรุ่นหนุ่มอายุราวยี่สิปีแต่ในขณะนั้นเองความผิดรูปผิดร่างขี้เละจะเข้ามาแทนที่คือสถิตยอยู่ในกายที่สิ้นรัศมี หมดเดชแม้เทวโลกจะอยู่ในภูมิอันเป็นทิพย์ที่เทพบุตรมีปกติยินดีแต่เมื่อใกล้จะจุติเทพบุตรย่อมไม่ยินดีในทิพยาอาดของตนอีกต่อไปจะไม่ยินดีคือไม่ได้ความชื่นใจในทิพยาอาดสำหรับเล่นและบำเรอกับด้วยหมู่สาวสวรรค์ของตน ด้วยการเกิดขึ้นแห่งบุพนิมิตนั้นเทพบุตรนั้นย่อมถูกความโศกมีกำลังครอบงำด้วยคิดว่าเราต้องพัดพากจากสมบัติเห็นปานนี้ด้วยเหตุนี้ความ ก, กาังวลกยอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้นในกายของเทพบุตรนั้นด้วยเหตุนั้นเหงื่อจึงไหลออกจากลำตัวโดยประการท้องปวงเทพบุตรบางองค์ที่มีทุก หาประมาณมิได้ตลอดการเนื่นนานมาเมื่อไม่สามารถจะยับยั้งทุกขนั้นไว้ได้ข่ำครวนปริเทวนาการอยู่ว่าเราร้อนเรากุ้มไม่ได้ความแช่ชื่นในที่ไรๆพั่มเพอระเมอบุพนิมิตเหล่านี้ปรากฏในเทวดาทุกองค์เมื่อใกล้จะจุติหรือหนออัตถกถา จจวะมาน ส, สูตรอธิบายว่าก็บุพนิมิตเหล่านี้ย่อมปรากฏเฉพาะเทวดาผู้มาเหศักทั้งหลายเท่านั้นหาปรากฏแก่เทวดาทั่วไปไม่นี่คือความต่างระหว่างท่านเหล่านั้นเมื่อเทพบุตรที่เกิดด้วยกุศลธรรมอย่างอ่อนคือมีบุญไม่มากจุติกายของท่านนั้นหายวับไปดุจเปลีปวปทีบดับลงฉันนั้น แล้วก็ถือปฏิสนทิในกามาวัจรภูมิใดภูมิหนึ่งย้อนกลับมาที่เจวะมานาสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดต่อว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพระบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพอยินดีกับเทพระบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจากเทวโรกนี้ไปสู่สุคติหนึ่งขั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ราบที่ท่านได้ดีแล้วหนึ่งขั้นได้ราบที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิสุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอแร เ ป, เป็นส่วนแห่งการไปสู่สุขติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุขติของเทวดาทั้งหลาย เพราะเหตุใดความเป็นมนุษย์จึงเป็นสุขติเนื่องจากในพบมนุษย์มีโอกาสมากมายให้สร้างกุศลรกรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่คือเหตุผลของคำกล่าวที่ว่าโรคมนุษย์เป็นสุขติ เป็นการง่ายที่จะให้ทานในโลกมนุษย์เพราะเหตุใดองค์ประกอบแห่งการให้ทานมีสามปัจจัยคือทายธรรมหรือวัตถุที่จะให้ทานหนึ่งเจตนาที่จะให้ทานหนึ่งและผู้รับบริจาคทานหนึ่งในโลกมนุษย์ง่ายที่จะพบองค์ประกอบทั้งสามนี้ด้วยรายได้จากการทำงานมนุษย์จึงมีวัตถุที่จะให้ทาน จะให้ทานมากหรือน้อยดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขส่วนบุคคลเจตนาที่จะให้ทานก็สามารถอบรมให้เกิดและเพิ่มพูนได้โดยง่ายและท้ายที่สุดเราเพียงแต่มองดูไปรอบรอบก็จะเห็นว่าโลกมนุษย์นี้เต็มไปด้วยบุคคลผู้ควรค่าที่จะได้รับการบริจาค และมีความจำเป็นต้องใช้ทยยรรมนั้นดังนั้นเราจึงเห็นว่าโลกมนุษย์เป็นสุขติส่วนเทวดาเป็นผู้รับมาแต่กาเนิดเพราะเหตุแห่งกรรมของท่านที่พยะสมบัติทุกอย่างปรากฏรอไว้เรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจความปรารถนาของเทวดานี่เป็นผลของกุศลกรรมในอดีตชาติซึ่งถึงความสุขงอม และบังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อรับรองเทวดาในเทวโลกเทวดาไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องอาหารอาพรและวิมานไม่จําเป็นต้องทำงานไม่จําเป็นต้องหาเงินไม่จําเป็นต้องปรุงอาหารไม่จําเป็นต้องซักเสื้อผ้าไม่จําเป็นต้องไปพบแพทย์ความเจ็บป่วยและชราภาพไม่ปรากฏชัดในเทวโลก เชิญนึกภาพดูว่าเทวโลกช่างวิเศษสักเพียงใดหล่าเทพทิดาก็งดงามหน้าอัศจรรย์และดูเหมือนสาวอายุ16ปีตลอดชีพเทพพบุตรก็ดูเหมือนหนุ่มอายุ2ี่สิบปีตลอดชีพเทวดาและนางฟ้าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเพลินกับสุดยอดการ ม, มาสุขอันเป็นทิพย์ เทวโลกเป็นภพที่น่าสนุกน่าเพลินบริบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยสุดยอดเบญจากามคุณไม่ว่าจะเป็นรูปอันงดงามเกินกว่าจะพรรณนาเสียงกลิ่นรสและสุขสัมผัสทุกสิ่งเพียบพร้อมยิ่งจนทำให้เหล่าเทพลืมทำกุศลกรรมได้โดยง่ายเทวดาเสวยที่พยสมบัติในเทวโลกเพราะกรรมเก่าของตน จึงไม่จำเป็นต้องรับบริจาคทานจากผู้ใดโอกาสที่จะให้ทานในเทวโลกจึงหาได้ยากแต่แม้จะยากก็ไม่ได้หมายความว่าเทวดาไม่อาจให้ทานเทวดาสามารถให้ทานได้เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเทวดาก็ถวายทานโดยเนนมิตรโอชาทิพย์ ใส่ในอาหารที่มนุษย์ถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกๆวันและเทวดาก็จัดแจงเพื่อให้ทานโดยวิธีอื่นๆด้วยในเรื่องศีลได้แก่พระวินัย227ข้อสำหรับพระพิสุศีลสิบศีล9ศีล8และศีลห้าซึ่งมนุษย์ได้รับการส่งเสริมให้เจริญศีลสิขาเหล่านี้ พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธานุญาตเฉพาะแก่มนุษย์ให้อุปสมบทเป็นพระพิสุได้เทวดาจึงบวชไม่ได้ดังนั้นพระวินัย227ข้อนี้ทรงบัญญัติเพื่อความอยู่ผาสุและประโยชน์แก่พระพิสุผู้เป็นมนุษย์ศิกขาบทเหรา่านี้เหมาะแก่ผู้อุปสมบทซึ่งมีความเคารพและปฏิบัติตามพระวินยัย แลเหมาะแก่ผู้ที่ยินดีสํารวมรักษาพระวินัยพระวินัยนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่ไม่ยินดีรักษาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจึงมีพระวินัยสําหรับพระพิกสุ227ข้อประทานแด่มนุษย์นี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากซึ่งมนุษย์เราได้รับ มนุษย์ยังสามารถกำหนดสภาพเพื่อรักษาศีลอื่นๆได้ง่ายทีเดียวแต่สำหรับเทวดาแล้วการรักษาศีลมักทำได้ยากกว่าเพราะเหตุจากการมาสุขทิพย์ในเทวโลกอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่หลายท่านยังไม่ทราบคือหลังการตัดสรุ้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคี ในจำนวนมนุษย์ทั้งห้านี้มีเพียงผู้เดียวคือท่านอัญญากลทัญญะเทระได้บรรลุธรรมพร้อมกับพรมสิบแปดโกรธเวลาจบพัทธมกรรักับปะวัตนาสูตรนี้ดังนั้นเทวดาและพรมผู้ตัดสรุธรรมแล้วมีจำนวนมากมายซึ่งทรงศีลบริสุทธิ์และยังคงมีชีวิตอยู่ในเทวโลกและพรมโลกสาหรับมนุษย์ การละอุปาทานในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เราประสบในชีวิตประจาวันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าเทวดาหากว่าเราเต็มใจเราก็จะพบโอกาสต่างๆเป็นอันมากที่จะรักษาและปฏิบัติศีรสิกิขาแต่สำหรับเทวดาผู้มีชีวิตอยู่ในเทวโลกอันพรั่งพร้อมด้วยกามาคุณอันเป็นทิพย์ ที่บำรุงบำเลออยู่พบว่าแม้การที่จะหยุดยั้งใจก็ยากยิ่งนักภาษาอะไรกับการตัดเยื่อใหญ่จากความยินดีในการทั้งหลายอันเป็นทิพย์อีกด้านหนึ่งมนุษย์มักเผชิญกับความลำบากและความทุกข์ในชีวิตด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำกุศลกรรมแต่เทวดา เป็นผู้มีชีวิตพังพร้อมด้วยการมาสุขจึงทำให้ประมาทที่จะสั่งสมกุศ ล, ลกรรมเรานางฟ้านั้นมีความงดงามอย่างน่าอัศจรรย์กายสัมผัสของนางฟ้านั้นสุดวิเศษจนเทพระบุตรต้องมนสเสนและพบว่าไม่อาจจะอยู่ห่างจากหมู่นางฟ้าได้เลยอัตมาขออัญเชิญคาถาธรรมบท ยะมะกะวักเรื่องพนันทะเทระเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่านางฟ้างามเพียงใดท่านรู้จักเจ้าชายนันทะไหมทรงเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเจ้าชายนันทะอภิเสกกับสตรีที่งดงามยิ่งนามว่านางชนบทกรยานีในวันวิวาหะมงคลพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบินธบาต ประธานบาทในหัดของนันทกุมารตรัดมงคลอวยพรสเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปหาได้ทรงรับบาทจากหัดของนันทกุมารไหมนันทพุทธอนุชาออกบวชฝ่ายนันทกุมาร น, นั้นด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงนิอาจทูลเตือนว่าขอพระ อ, องค์รับบาทไปเถิดพระเจ้าค่า แต่คิดอย่างนี้ว่าพระศา ส, สดาคงจากทรงรับบาดที่หัวบันไดแม้ในที่นั้นพระศา ส, สดาก็มิได้ทรงรับนันทกุมาร น, นอกนี้ก็คิดว่าคงจากทรงรับที่ริมเชิงบันไดแม้ในที่นั้นพระศา ส, สดา ก, ก็ไม่ทรงรับนันทกุมารก็คิดว่าจากทรงรับที่พระลานหลวง แม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับพระกุมารปราถนาจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระทยัยด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่สามารถทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบตดเจ็ดทรงเดินนึกไปว่าพระองค์จะทรงรับในที่นี้พระองค์จะทรงรับในที่นี้ในขณะนั้น หญิงพวกอื่นเห็นอาการนั้นแล้วจึงบอกแกนางชนบทกรลยานีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้วคงจากภาคนันทกุมารจากพระแม่เจ้าไฟนางชนบทกาลยานีนั้นได้ยินคำนั้นแล้วมีหยาดน้ำยังไหลยอยู่เทียวมีผมอันก้าวได้กึ่งหนึ่ง รีบไปทูลว่าข้าแต่พระรูปเจ้าขอพระองค์พึงด่วนเสด็จกับคำของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหัตถยของนันทกุมารแม้พระศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมาร น, นั้นเลยทรงนำนันทกุมาร น, นั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทะเธออยากบวชไหม นันทากุมานนั้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่ทูลว่าจากไม่บวชทูลรับว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญจากบวชพระเจ้าข่าพระศาสดารับสั่งว่าพิสุทั้งหลายท้ากรนนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิดพระนันทะอยากสึก เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างนี้นั่นแหลท่านพนันทะขสันขึ้นแล้วจึงบอกเนื้อความนั้นแก่พิสุทั้งหลายว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ข้าพเจ้าจาักกล่าวคืนสิกขาแล้วสืบหนึ่งฮีนายาวัติสามิ จากเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วรับสั่งให้หาท่านพนันทะมาเฝ้าแล้วตัดคำนี้ว่าจริงหรือนันทะได้ยินว่าเธอบอกกล่าวแก่พิสุหลายรูปอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสื่ต่อพรหมจรรย์ไปได้ ข้าพเจ้าจาักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึกหรือจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่านันทะก็เธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรันทร์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันท ร, ร์ไปได้จะกล่าวคืนสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนนางชนบทกรลยานีผู้สักกิยะมีผมอันก้าวได้กึ่งหนึ่งได้ร้องสั่งคำนี้กะข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลหลหวนระลึกถึงคำนั้นอยู่จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจันทร์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันทร์ไปได้ จากกล่าวคืนสิกขาสึกไป